คาถาพันพระพุทธภาษิตสหัสมาปิเจคาท่าอนาตกะปะระสัยิตาเอกังคาท่าปะดังเซโยยังสุดตัวอุปสัมณติแปลกว่าว่าคาถาแม้ทั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่า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 พิจารณาตามระวังพระสตุสาสตร์คือคําสอนซึ่งมีลักษณะ9้าประการของพระศาสดาคาถาก็เป็นลักษณะหนึ่งแห่งคําสอนคือเป็นคําที่ตรงกับภาษาไทยของเราว่าร้อยกรองคือเป็นโครงกรอนกราบฉันไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดาพระคันธรสนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆคงจักได้นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกรองเป็นคําฉันไว้บ้าง เพื่อสะดวกแก่การจทำทํานองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคําสอนเป็นกรอนไว้จําได้ง่ายจําแม่นเลอะเลือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนการที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเป็นโครงฉันกาบกรอนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกาบกรอนเพราะสิ่งเหล่านี้โดยทรงศึกษามาอย่างชํานานแล้วในสมัยทรงเป็นพระราชกุมานหากผู้ถามถามเป็นคําพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดารัสธรรมดา ในอินเดียโครงฉันกาบกรอนเขาเพราะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกฤตพวกนักปราชญเขาทำการเรียนกันระวังคัดสัตุศาสตร์คือลักษณะคำสอนเก้าประการของพระศาสดานั้นคือสุดตะเคยะวัยยากรณนะขาถ า, อ, าอุทานอิติอุตตะชาดกอัมพูตธรรมเวทัละ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 มนุษย์ที่ท้าสุ ป, ปาระกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นอรหันองค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี้เองคนทั้งหลายจึงเคารพนอบนอมเข้าใจว่าเราเป็นอรหันองค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเราปรับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาบส ก, การะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนาผ้ามาให้ก็ไม่รับไว นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเรียกเขา ว, ว่าพระอาหารหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมาเขาก็สำคัญตนว่าเป็นพระอาหารหันต์จริงๆครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่าพาหิยะทารุจิริยะจากชีพหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้ พาฮิยะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เลยอย่าเข้าใจผิดพาฮิยะฟังแล้วสลดใจถามว่าก็พระอาหารหันต์อื่นๆมีอยู่หรือในบัดนี้ถ้ามีอยู่ที่ใดเทพได้บอกเขาว่าพาฮิยะนครหนึ่งชื่อสาวัตถีตั้งอยู่ทางเหนือเป็นราชธานีแห่งโกศลชนบทบัดนี้พระผู้มีพระภาคอาหารหันต์ตสมมาสัมพุทธเจา้าประทับอยู่ที่พระนครนั้น พาหิยะพระศาสดานั้นทรงเป็นพระอาหารหันต์แท้จริงและทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์ด้วยท่านจกไปเถิดไปส่นครนั้นมนเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิรยะและตัวภาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อยสมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกภาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลก เป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในการก่อนเมื่อศาสนาแห่งพระกสศสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุเจดรูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสำรวงของบรรพชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระศาสนายังไม่เสื่อมศูนย์หมดสึ่นเสียทีเดียวในบัดนี้เราจักบำเพ็ญสมณธรรมรม ท, ที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไป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 ย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยฤทธิ์ของตนพระสังฆเถระคือผู้มีบวามสามารถที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีกหกรูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวไม้ชาระฟันบ่วนปากแล้วฉันบิณฑบาตนี้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงว่า ท่านผู้เจริญพวกเราทำาคติกากันไว้หรือว่าพิกษุได้บรรลุอรหัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบินธบาทมาเพื่อรูปอื่นๆข้อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบภิสุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนำบินธบาตมาบริโภคเองการกบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลย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 อดอาหารสิน้นชีวิตในวันที่เจ็ดบังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้จุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในสกุลต่างๆดั ง, งนี้คนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสปะคนหนึ่งเป็นพายะทารุจิริยะคนหนึ่งเป็นพระทัพพระมลบรคนหนึ่งเป็นปริพาชกชื่อ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 ด้วยมุงหมายจะได้เฝ้าพระศาสดาทันทีที่มาถึงขอให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระศาสดาเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพักฟาหิยะกล่าวดังนั้นแล้วมีอาการเร่งร้อนเข้าไปสู่ตัวเมืองสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จบินถบาตอยู่มีพระพุทธศริริอันหาที่เปรียบไม่ได้ปราโมทคิดว่านานและเกินหนอที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมตัวเดินเข้าไปหาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กลางถนนนั่นเองจับข้อพระบาททั้งสองแล้วทูลว่าพระเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุขดจงแสดงธรรมอันจกเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ตรอดกาลนานด้วยเถิดพระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้มีพระพักและพระเนตรอันฉายแววแห่งความปราณีอยู่เสมอพอดพระเนตรภาหิยะด้วยความเอ็นดู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 ขอได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยพุทธประสงค์จะให้พาหิยะบรรเทาค ว, วามกระหายลงเสียก่อนพระโทศพลจึงตรัสห้ามอย่างเก่าอีกครั้งหนึ่งทรงรู้โดยตลอดว่าจำเดิมแต่การที่ภาหยะเห็นเขาแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาเ อ, อิบอาบไปด้วยปิติปรามโมทผู้มีปิติมีกําลังกล้าเช่นนั้นแม้ฟังธรรมก็มิอาจแทงตลอดเนื้อความแห่งธรรมได้เมื่อใดใจของเขาตั้งอยู่ในอุเบกขา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 พระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายทูลขอบรนทจากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้ไปสแสวงหาบาดาจีวรเขาจึงพระจากพระผู้มีพระภาคไปเพื่อสแสวงหาบาดาจีวรทราบว่าพาหิยะนั้นเคยบำเพ็ญสมณะธรรมมาตั้งสองหมืนปีแต่ไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอื่นๆในเรื่องบาดาจีวรนคิดแต่เพียงว่า ควรบริโภคใช้สอยด้วยตนเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้จึงไม่ได้ทรงประธานบรรพชาอุปสมบททันทีเพระสสาะทรงทราบว่าบาทและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทิจักไม่มีแก่พาหิยะนั้นดังนั้นพาหิยะจึงต้องเที่ยวแสวงหาเอาเองบังเอิญถูกแม่โคนมตัวหนึ่งกวิด ต, ตายพระศาสดาเสด็จบิณบาตตามพระอายาัยแล้วทรงกระทำพัฒกิจเสร็จแล้ว